ก็พูดเรื่องการปฏิบัติธรรมที่วัฏบาสุขโตสถาบันสติปัฏฐานก็มีนหน้าที่สอนเรื่องของสติปัฏฐานคือปฏิบัติถ้าเรื่องอื่นก็ไม่ค่อยจะได้พูดกันก็มียเยอะแยะการศึกษาทางพระพุทธศาสนาเนี่ยมีมากมาย หลาอย่างมีช่องทางที่บอกที่สอนกันเยอะแยะแต่ว่าขอรัดเข้ามาหาการปฏิบัติเพราะจะได้ตุ่นด่วนสักหน่อยก็เป็นคนหิวข้าวก็ต้องให้ได้กินทันทีไม่ใช่ไปคิดหวานๆจะกินยังไงจะทำยังไง มันหิวอยู่มันก็ใช้ไม่ได้ถ้าหากว่าสุขโตสถาบันสติปัะญานขายอาหารสำหรับคนหิวก็อาหารอะไรหรอข้าวผัดซะนะข้าวผัดอาหารข้าวผัดร้อนดีและปลอดภัยด้วยในมือนสั่งอันน้นสั่งอันนี้ เอาผัดกะเพราข้าผัดไข่อะไรทำนองนั้นแหละร้อนๆแล้วก็ไม่ไม่เป็นอาหารกินไวไม่เป็นอาหารอื่มปรุงแต่งแต่งๆมากเกินไปอาหาร ที่เขาปรุงแล้วปรุงอกีกเรียกว่าอาหารรีไซเคิล้ายไม่หมดก็มาอุ่นใหม่มาปรุงใหม่แต่ว่าอาหารกินไวแบบข้าวผัดเนี่ยมันปลอดภัยดีมันร้อนเราก็ถือว่าให้คนได้อิม่มซะเราตรงนี้ไปเลยจึงนี้วิธีเดียวคือการปฏิบัติธรรม การปฏิบัติทำเท่าพูดตรงๆปฏิบั ต, รตริตรงๆก็ไม่มากถ้่าพูดให้มากก็มากเรื่องของการเจริญสติทำอย่างไงเป็นอย่างไง ร, รู้อะไรเห็นอะไรมากมายแต่ว่าวิธีการสอนที่นี่ก็สัมผัสเข้าไปเลย ผ่านเข้าไปเลยมีสติดูกายเอาของกิ่งศึกษาไปเลยทุกคนก็มีกายทุกคนก็มีสติเมื่อมีสติดูกายดูใจมันก็เห็นอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจมากมายหลายอย่างผ่านไปเรื่อยๆผ่านไปเรื่อยๆเราก็ค่ายเขาว่าถ้าจะพูดก็มอนกับขนส่งพ่าไป หรือนำไปจับแขนจับตาไปดูตรงนั่นตรงนี้เพื่อให้ผู้ที่มีหูหมีตาได้เห็นได้ยินฟังได้ฟังเอาไปเลยจึงจะเป็นของปัจจตังได้เห็ูโน่นเูนี่เห็นโ น, น่นเห็นนี่เห็นนะไม่ใช่ลู้ลู้เห็นถ้าเป็นความลู่ก็เป็นการลู้เห็นหรือจริงเข้าไปคนนั่นก็คือการพบเห็น สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจจนจบเรื่องจบราวที่สุดของการพบเห็นเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายกับใจแล้วเกี่ยวข้องกับสิ่งที่พบเห็นนั้นอย่างถูกต้องไม่เป็นการบ้านเห็นแล้วแล้วไปเห็นกายก็เห็นแล้วสีสิบปีแล้วเรื่องของกายไม่มีปัญหาเรื่องของใจไม่มีปัญหา อาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายกับใจไม่มีปัญหาแล้วรู้แล้วนะเรีวยว่าการเห็นนี่มันก็จบไม่เหมือนเห็นแบบอื่นเห็นแบบสติเข้าไปเห็นนี่มันจบไม่เหมือนกับการเห็นทัศนาแบบอื่นทัศนานุตริยะ อันนี้มันเห็นแบบทัศนานุตตริยะอาลยะด้วยเห็นแบบแบบจบปฏิปทานุตตริยะเห็นแล้วเข้าไปลู้อย่างลู้แล้ววิบุตานุตตริยะหลุดแล้วพ้นไปแล้วสิ่งที่เห็นนั้นพ้นไปแล้วจนได้พูดเมื่อวานว่าที่สุดสูงสุดของการศึกษา คือไม่มีไม่เป็นอะไรเพราะว่าที่ไม่มีไม่เป็นอะไรเนี่ยจะทำอะไรล่ะถ้ามีก็มีเป็นถ้าเป็นก็เป็นถูกถ้ามีมีเป็นถ้าเป็นเป็นถูกถ้าจะได้ก็ได้เป็นได้แบบไม่ไม่ให้ความได้นั่นเป็นใหญ่เป็นโตเป็นก็เป็นแบบไม่ ให้ความเป็นนั่นเป็นใหญ่เป็นโตอะไรต่างๆคําว่าไม่มีไม่เป็นเนี่ยมันสุดยอดแล้วล่ะไม่ใช่ว่าจะไม่ทําอะไรก็ทำํทำตามทุกอย่างที่จะทําให้ถึงที่ไม่มีไม่เป็นทำทุกอย่างที่ให้คนได้ถึงคนหิวก็ให้คนได้อิม่ม งานที่ทําให้คนอิ่มงานที่ทําให้คนได้กินนะ่ยมันก็ต้องมีหลายอย่างมีวัตถุดิบมีอาหารมีเครื่องปรุงอะไรต่างๆเยอะแ ย, แยนะอเมื่อมีการผิดพลาดในเรื่องของการอดการอยากก็เพียรพยายามที่จะได้ได้มามีส่วนประกอบหลายอย่างการปฏิบัติธรรมเนะี่ย แล้วก็มีแนวร่วมหลายอย่างที่ทำให้เกิดการอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็บอกก็สอนก็ช่วยกันแล้วถ้ามีการศึกษาก็มีหลายอย่าง <c oughs> เช่นวัดป่าสุขกโตเนี่ย <c oughs> ก็ยังมีการศึกษาการเรียนป ร, ริยัติธรรมแบบปฏิบัติไม่ใช่แบบ บางทีอาจจะปฏิบัติเห็นแล้วก็เรียนไปตามคําเห็นอธิบายแตกแานไปได้เหมือนกันพิวัตป่าสุกโตก็สอบนักทําได้ทุกรูปปีนี้ไม่ตกสักรูปเลยสอบผ่านได้ทุกรูปนักทํามัช่นโทมีหรือเปล่าเรยังไม่ออกนักธรรมเนตีสอบผ่านไปหมดแล้ว คูขอท lead, ้องก็ผ่านหมดแล้วนี่ก็เรียนเรียนตามหลักสูตรที่มีการศึกษาของคณะสงฆ์ก็การปฏิบัติทำการเจริญสติผู้ปฏิบัติผู้ปฏิบัติก็มีสาขาในชีวิตของเรามากมาย ประสบการณ์มากมายในเรื่องของการปฏิบัติในเรื่องของเส้นทางนี้เส้นทางที่ดาเนินไปสู่จุดหมายปลายทางสูงสุดในการศึกษาพุทธศาสนาในบางเส้นทางแล้วก็พบเห็นหลายอย่างถ้าจะเป็นผู้ครองบ้านของเรือนก็สามารถทำได้ ตามภูมิรัฐภูมิธรรมของคนถ้าคลองกายคลองใจคลองงานได้ก็คลองบ้านคลองเรือนคลองผู้คลองคนได้เพราะมีคุณธรรมไม่ใช่อำนาจคุณธรรมคลองกันถ้ารักษา <c oughs> กายใจได้ก็รักษาคนอื่นได้ช่วยตัวเองเป็นก็ช่วยคนอื่นเป็น ดูแลตัวเองปลอดภัยก็ดูแลคนอื่นปลอดภัยได้ในเรื่องต่างๆไม่ให้เกิดปัญหามันก็มีโอกาสแตกฉานได้หลายอย่างรับผิดชอบมัตว่าอารามรับผิดชอบหมูมิตรเพื่อนผงก็อาจจะรับผิดชอบเราจะเป็นงานเป็นการมีครอบมีครัวก็รับผิดชอบตามคุณธรรม นี่คือการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ไม่ใช่สุดๆดนะสามารถที่จะ <c oughs> ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยได้หลายทุกแบบทุกอย่างแล้ววิธีปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็มีรสชาติ รสชาติในการเข้าถึงศีลเข้าถึงธรรมนั้นมันดูดดืม่มมันไม่ทิ้งงานนะันนี่หรอกหลวงพ่อเทียนสอนพวกเราให้รู้จากรูปจากนามรสชาติผู้ที่เห็นรูปเห็นนามนะตรงนี้เนี่ยแล้วก็ก็ดูดดืม่ม อยากจะไปสอนคนอื่นให้เขาเห็นรูปเห็นตามเหมือนเราเห็นตัวนี้มันดูถึงไม่เบื่อการสอนอย่างนี้ไม่เบื่อรสชาติของการเห็นจิตมีสติดูกิไมีกิดดูกิจจนชำนิชำนาญเนนะี่ย ก็อยากแกไปบอกคนอื่นให้เขา ม, มีสติดูกิจมีกิจดูกิจของเขามันมีรสชาติมากมันโปรตพัยมันมีค่ามีราคามันเป็นการศึกษามันเป็นการครบวงจรขอ ง, งชีวิตทั้งหมดชีวิตทั้งหมดไม่ใช่ชีวิตเราอย่างเดียวก็า ม, มีสติดูกิจมีกิจดูกิจก็รู้จักคนอื่นรู้จักเรามันมีรสชาติ อยากจะไปสอนคนให้คนได้เห็นเรื่องนี้กันมีสติไปดูอาการต่างๆที่มันโชว์เช่นรูปเวทนาสัญญาสังขารที่เป็นขันที่เป็นอุปาทานที่มันด่านสุดท้ายน่ยจนมันจบมันสิ้นไปมันไม่มีอะไร มันไม่มีอะไรเป็นรสชาติของการศึกษาเขอ า, า, ข อ, าอยากจะบอกคนอยากจะสอนคนให้คนได้ถึงจุดหมายปลายทางของชีวิตนะมันก็เลยไม่ทำมันเดินอันเ ด, นนดินก็ให้คนดื่นทำไปซะเราอยากจะสอนเรื่องนี้จะบอกเรื่องนี้เพราะว่ามันเพื่อการนี่โดยตรงชีวิตของสัตว์โลกที่เกิดมาเมาช่นมนุษย์หรือคนเราเนี่ย เป็นสิ่งที่คนต้องขนขวายช่วยกันประกาศบอกกล่าวเป่าล้องท้าทายขึ้นป้ายเลยสุขโตสถาบันสติปัฏฐานนะก็มันมีชีวิตที่ว่าล้วก็เพื่อการนี้ตอนเช่ามะถมมัด ทำมาจบก็เพื่อการนี่ได้บอกได้สอนได้พูดได้จาไม่จบไม่สิน้นสิ่งที่บอกที่สอนสิ่งที่ชวนทําก็มีอยู่กับเราไม่ปลอมไม่ใช่อันอื่นของจริงในกายในสติถ้านัง่งถ้าเดินยกมือเคลื่อนไหวมีเหมือนกันเห็นกันอยู่ก็เป็นทุกข์บางคนอื่นก็เห็นแต่เราเห็นก่อนเขาคพอมหลง คนอื่นก็เห็นแต่เราเห็นก่อนคนอื่นที่มันเกิดขึ้นกับเราหน้าที่จะได้เห็นอะไรที่มันแสดงมาทางกายทางใจเป็นบาปเป็นปุญอย่างไรคนอื่นก็เห็นตัวเราก็เห็นเมื่อตัวเราเห็นไม่ค่อยจะมีใครทิ้งตัวเองต้องช่วยตัวเองถ้ามีสตินะ สต่ีนี่เหมือนเหมือนมารดาที่เลี้ยงลูกอ่อนลูกอ่อนอ่อนไม่รู้จะขอร้องให่พ่อให้แม่ช่วยหรอกเป็นหน้าที่ของพ่อของแม่ที่จะช่วยสตีก็เหมือนกันนั่นแหละไม่ปล่อยทิ้งไม่ไม่ปล่อยให้กายให้ใจทิ้งถ้าเป็นสติปัฏฐานอย่างจริงนะไม่ปล่อยทิ้งช่วยนั่นก็เป็นงานเป็นการมันสนุก มันมีฝีมือมันมีประสบการณ์กับการช่วยช่วยกายช่วยใจการปฏิบัติมันจึงไม่ค่อยจะมีใครปล่อยปะละเลยถ้าได้ศึกษาเรื่องนี้เข้าไปมันก็ต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆแม้จะหลงขนาดไหนก็ก็ยังคืนเคีบได้เหมือนน้ำตาล แม้จะเข้าสู่หีบยนต์เครื่องยนต์กลไกอะไรก็ตามยังไม่ทิ้นลกหวานยังไม่ทิ้งลดหวานผู้ได้ศึกษาฝึกฝนตนเองได้เรียนรู้ประสบการณ์ด้วยตนเองประสบทุกข์เกียนตายขนาดไหนก็ไม่ทิ้งไม่ทิ้งศีลไม่ทิ้งธรรมไม่ทิ้งสติอันเป็นอย่างนี้การศึกษากรรมฐานไม่เหมือนการศึกษาวิชาทางอื่น ศึกษาวิชาทางอืนรู้รู้ท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอดยังโกรธยังโลภยังหลงยังทุกข์แต่ศึกษาวิชาชีวิตเนี่ยมันไม่ทิ่งตัวเองหรอกเวลาท่านจึงว่าไม่จันแม่ใจแห้งก็ไม่ทิ่งกลิน่นหัดสดินกล่าวลงสู่สงครามก็ไม่ทิ่งดีละโอ้ย รถหวานแม่จะสู่หีบยนต์ก็ไม่เที่งธรรมผู้บัณฑิตผู้ฝึกขนตนเดงดีแล้วประสบทุกขเกียนตายก็ไม่ทิ่งธรรมเกียนตายไม่ทิ่งเลยแม้ใจจะขาดก็ไม่ทิ่งลู่วิธีเรื่องนี้ถึงที่สุดจนจะไม่มีชีวิตจบแค่ไหนเพียงไรเป็นยังไงความเกิดความแก่ความเก็ บ, ค ว, กบความตาย ทำอะไรไม่ได้บัณฑิตผู้ฝึกหัดตัวเองดีๆแต่ว่าถ้าเราไม่ฝึกเลยเต็มเป้าๆ เ, เลยเต็มเจ็บก็เต็มแจ ก, ก็เต็มตายก็เต็มรับเคราะรับกรรมแบกฮะเป็นปัญหาเรื่องอะไรเยอะแยะไปหมดถูกความทุกข์ยางเอาแล้ว ถูกครอบงมแล้วความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วน่ะคนที่คนที่ไม่ค่อยศึกษาไม่ไม่ <c oughs> ไ ม, มีไม่พบทางยอมรับเรื่องนี้ยอมรับแต่ผู้ศึกษาจริงแล้วไม่ยอมรับเห่นพระศีทธธัตถะตั้งแต่สมัยเป็นเจ้าพ่อชาย กภาพหัวเมืองกบิลพัสเห็นคนเกิดคนเจ่คนเก็บคนตายเห็นสมณะไม่ยอมรับหาทางหาทางยังไม่มีใครสอนเรื่องนี้หมุบืบนเอาคีวิตเป็นเดิมพันถอดเครื่องประดับถอดรองเท้าถอดหมวกชัดดาเครื่องประดับตกแต่งขององ์ น่งข้าสีฝัดถือนักบวชเป็นอุบายการศึกษาคนไปสุมสีสมหไปผิดพิดทุกทุกจนจะตด้ในที่สุดก็มาค้นพบเรื่องจิตใจเรื่องสติดูจิต ด, ดูกายดูจิต ฉันได้ตัดเสร้รูเนือเกิดเนือเการเกิดแฉะเจ็บตายพวกเราไม่ต้องยังลำบากเหมือนพระพุทธเจ้าได้มรดกได้รับมรดกทำสามารถทำได้ทันทีเลยไม่ต้องไปส่มเอา้ามีสติยกมือเคลื่อนไห้ไปมาให้รู้สึกตัวมันแสดงออกมาทางไหนรู้สึกตัวผมรู้สึกตัวเข้าไปรู้ไปเห็นทุกสิ่งทุกอย่าง เราก็มีกายเราก็มีจิตเราก็มีเวทนามีหิวมีโลดมีเนา่ามีปวดมีเมื่อยเยอะแยะไปหมดเลยเรื่องของกายรู้มันแต่พึ่งแต่พึ่งสติเข้าไปเห็นสติเข้าไปเห็นสติเข้าไปเห็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายกับใจนีนั่นแหละคือการศึกษาไม่ใช่ไปคิดไม่ใช่ไปคิดไปพิสูจน์ไ ป, ไปทดลองในรูปอื่น ไม่ได้ทดลองเลยการศึกษาธรรมะเนี่ยมันเป็นการประสบเข้าไปจริงๆเป็นปฏิจตังเข้าไปมันหลงอย่าเนี่ยไ ม, ไม่ไม่มีใครทดลองถ้าทดลองก็เสียไปเลยทดลองกับความหลงเหมือนกับทดลองตัดแขนดูซิถ้าตัดแขนแขนก็ขาดทันทีตัดขาดูซิไม่มีใครทดลองเรื่องตัวเอง มีแต่เห็นแกล้งถ้ามาหลงกัเปลี่ยนหลงเป็นรูธันติถา้าบรรทุกถ้าสติได้เห็นทุกข์ไม่ทดลองมีแต่เปลี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกข์น่นเป็นเรื่องของสติไม่เหมือนการศึกษาวิชาการทางโลกถ้ามันโกรธก็ไม่มีใครทดลองกับความโกรธถ้าเห็นนะคนที่แสดงความโกรธที่คนที่แสดงความหลงคนที่แสดงความทุกข์เพราะเขาไม่เห็นไม่มีสติ เรจึงแสดงออกไปได้สำเร็จฆ่ า, ากันทะเละาะกันไม่รู้จักอายฆ่ากันแตกเล่าสมามัญคนะีเพราะเขาไม่เห็นถ้าสติเข้าไปเห็นแล้วนะ่ไม่ใช่ทดลองเป็นปฏิบัติปฏิคือกลับคือโต้คือกลับมันเป็นอย่างนี้สตินะไม่ทิ้งไม่ทิ้งตัวเองไม่ทิ้งทำ คือไหนไม่ถูกทําให้มันถูกคือไหนไม่รู้แจ้งทําให้รู้แจ้งอเสียงไหนยังไม่เห็นในพบเห็นแล้วไม่ต้องไปหาการศึกษาเนี่ยวิชากรรมฐานเนี่ยไม่ต้องได้ไปหาเอาเข้าแถวมาให้เราดูเองเอาแถวมาให้เราดูเอาเองสนุกแต่บางคนเนี่ย ตั้งเรากไม่ค่อยเป็นเช่นความคิดบางคนถ้มันคิดมากๆก็ก็เสียไปเลยก็ไม่ลงมไปกับความคิดไปเลยลงมไปกับความคิดบางทีเครียดไปกับความคิดตัวเอง <c oughs> เป็นสุขเป็นทุกข์กับความคิดตัวเองไม่ใช่ถ้าเราศึกษาถ้ามีสติเห็นความคิดเนี่ยโอ้สนุกหัวเราะความคิด บาเอ้ยอย่างนี้ก็คิดหรือเนี่ยเรื่องผ่านไปแล้วเอามาคิดเรื่องที่ยังไม่มาถึงก็เอามาคิดเลวไหลจิตสติได้เห็นเลยเกิดกตื่อหรือลน้นจกุกยกตัวเองไว้ไม่จะล้มก็ไปในความคิดความคิดมันมีอยู่หลายแบบหลายอย่าง ถ้เป็นความคิดแบบดุนดุนนี่เรียกว่าขาดสติถ้าเป็นความคิดแบบธรรมะของมีสติผู้มีสติไม่ได้เรียกว่าคิดเรียกว่าธรรมวิจยะสอดส่องเห็นให้เห็นแจ้งแต่มันคิดก็เห็นแจ้งเหมือนสอดส่องเหมืนคิดแล้วก็เห็นความคิดชัดเจน มันเราเห็นอะไรที่มันไม่ยังไม่ชัดก็ดูให้มันชัดโอ้นี่คือความคิดสอดสองก็เรียกว่าท ร, รมาวิจัยะสอดสองโยนิโสมนสิการพิจารณาไม่ได้รับดุนดุนไม่ได้รับดุนดุนพิจารณาไม่เอาบางทีความคิดเนี่ย บางที่ความคิดมันใช่ความคิดต่อไปอีกไม่ใช่ให้ความคิดมันใช่เราเห็นเราเห็นรูปเห็นนามเนี่ยมันมีอยู่ในโสมันมีธรรมมันจยิดูต่อไปดูต่อไปดูต่อไปดูต่อไปมันเห็นเป็นหมวดเป็นหมู่เห็นรู ป, ปเห็นเป็นหมวดเป็นหมูรูปทุกน้มทุกรูปทำนา้มทำรูปโลกน้มโลกรูปสมมุติน้ำสมมุติรูปบัญญัติน้มบัญญัติ มันเห็นต่อไปมันทะลุกทะลวงไม่ใช่ทิ่งในบางอย่างแต่มันแตกแขนเราก็ดูต่อไปเพราะนเราไปเก็บเห็ดถ้าเห็นเห็ดดอกเดียวเดี๋ยวก็ดูต่อไปอีกมันมีหมู่บางอย่างมันมีหมู่ของบางอย่างมีหมู่ ไม่หมู่ของบางอย่างก็ไม่ค่อยมีหมูถ้าเป็นธรรมวิจยะมาเคิเห็นเหตุเห็นปัจจัยของไป่ตไปเรื่อยๆโตไปเรื่อยๆเห็นรูปทำนามธรรมเราเห็นรูปทำนามธรรมมันทําอะไรรูปทาดีทําชั่วมันทําดีไหม มีสติเห็นกายเนี่ยมันรูปทับเลยมันทําดีไหมทําดีทําลงไปถ้าทําดีเนี่ยอ้าวมีสติมันเป็นอะไรอ้ามันเป็นศีลศีลมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่กายอ้าวใส่ใจรู้อยู่นี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นสมาธิเวลามันหลงแล้วมันเป็นอะไรถ้าไม่มีสติมันเป็นปัญญาเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้สึกตัวอ้าวสอดสอบทำไมวิจยะโยนิโส มนัสสิการไต้ตรองเห็นไปเห็นแจ้งโอ้เป็นจริงเป็นจริงรูปทํานามทําโอ้คนจเจริญสติปฏิบัติตตนั่งยกมืออยู่นี่มันเป็นการรักษาศีลแต่รูปมันทําไปทําอะไรละ่ะขวัว บ, บุหรี่มันสูบมันทําอะไรเนี่ยมันคิดอะไรมันพั้วบุรี่มัสูบบางคนไม่รู้ตัวตั้งตีอยู่อยู่ดีเอามือไปขีดดินขีดเล่นโอ้มาทําอะไรเนี่ย แก้ไขมาลูบมาใช้ไปใช้รูปไปทำแบบนั้นอา้าวเห็นลูปทำนามทำนามมันทำนามคือใจที่มันคิดมันไปทำอะไรอยู่ร่วมมือกันไหมจิตใส่ใจตามไหมมันก็ลูปมันสอดสองเห็นเห็นชัดที่มันเกิดขึ้นกับรูปกับนามรูปทุกตามทุกอา้าวเห็นต่อไปอีก เป็นหมูแล้วว่ะนะไม่ได้หาแล้ววะมาเลยมันเป็นมันเป็นทะลุเปิดออกมามันก็ทะลุดูโน่น ด, ด, ดูนี่มันไม่ใช่คิดลู่มันมันไม่ใช่คิดลู่มันแบบมันแบบเห็นตาคุมเข้าไปตาคุมขมเข้าไปดูทุกตามทุก ทุกอย่างในรูกนะั้นน่าสงสารทุกหลายอย่างที่เกิดขึ้นกับลูกสภาวะทุกขสภาวะทุกคือทุกตามสภาพของลูกนั่งนานมันก็ต้องทุกมันก็ปวดกว็มเมื่อยนั่งนานนานก็ปวดกว็มเมื่อยยืนนานนามันก็ปวดกว็มเมื่อยนอนนานนานก็ปวดกว็มเมื่อยเดินนานนานก็ปวดกว็มเมื่อยโอ้สภาพ สภาพทุกสภาพวุทุกทั้งหลายมันตั้งอยู่ได้ไม่นานรูปตัวนั้นิดสัจธรทุกทุกที่มันเนืองนิดทุกเนืองนิดมันคืออะไรต้องหายใจต้องเกินน้ำลายต้องกระพริบตาต้องการหายใจนี่ก็มันเป็นการเจ้ทุทตาม น, นิดสัจธรทุกเนืองนิดน่ะทุกค น, น สงสารสงสารลูกาโอ้ยเรายังหาความทุกข์มาใส่มันอีกความทุกข์มาให้ลูกแบกเข้าไปคืออะไรความคิดอุปทานความรักความชังสุบูลีกินมากอาเอามาให้ลูกทั้งทั้งที่มันเป็นทุกข์โอ้ยไม่เคยสงสารลูกเลย พอมาเห็นเขานี่สงสารรูปยีก่กัวสงสารอย่างนี้น้ำตาร่วงนะพอเห็นรูปทุกสภาวะทุกนิสัยนทุกเนี่ยทุกเหนื่งนิดอาคันตุ ก, ทก็ทุกทุกให้มันโจอดป่าเหมือนบ้านหลังนี่ศาลาหลังนี้พวกเราจรมาทําวัดเช่าทําวัดเย็นมันที อาการปวดกระทุกที่มันเกิดขึ้นกับลูกมัน้อนมันหนาวมันปวดหนักมันปวดเบามันหิวอมันหิวมันปวดหนักปวดเบาเขาเรียกว่าอาการปวดกระทุกจ้นมาต้องต้องต้องไปแก้ไขไปบรรเทากลางคืนก็ไม่ได้อยู่ละนอนอยู่ก็ไม่ได้อยู่ต้องลุกขึ้นมา หนาวก็ไม่ได้อยู่ต้องไปอาคันตุกะทุกต้องไปบรรเทาทุกทุกอย่างนี้บรรเทาถ้าบรรไม่บรรเทาไม่ได้แต่หิวไม่ได้กินมันก็ไม่ได้แต่ร้อนไม่อาบน้ําไม่เข้าลมก็ไม่ไหวอะไรก็ต้องบรรเทาตามอาคันตุกะทุกโอ้มันก็เป็นความทุกข์อย่างเอาแล้วเนาอเนี่ย ความทุกข์เป็นเบื้องหน้านี่ยเนาะความทุกข์มันครอบงำเนาะรูปแต่ไม่เป็นรูปทุกข์จริงเนาะเนี่ยโอ้เห็นทุกข์ไม่ใช่เห็นแบบเศร้าหองอนยะเห็นแบบนี้เห็นแบบเห็นแบบลื่นเลงบันเทิงไม่ใช่ทุกข์แบบปุถุชนผู้ที่ปฏิบัติธรรมทุกข์เกิดขึ้นกับรูปมันบันเทิง ตื่นเต้นเห็นก ต, ตื่นลือล้นที่จะช่วยที่จะแสดงทุกอาเรียสัตว์ตวทุกข์เพราะสังขารปรุงแต่งอันนี้แน่นอนจุดหมายไปทางตรงนี้เอาละบันเน่นโสภรลิกเพราะสังขาร อะไรที่ทำให้ทุกจากการปรุ ง, ร ง, รงแต่งเลิกได้ทันทีไม่บรนเทาเลยทุกแบบไหนบรรเทาไม่ได้ไม่ใช่เรื่องบรรเทาเป็นการเปลี่ยนทันทีแก้ทันทีสังขารปรุงแต่งไม่ปรุงไม่แต่งหยุดห ย, ย, ย, ยุดการกระทำเรื่องนั้นนั้นทันทีทันใดบรนเทาไม่ได้ถ้าโกรธไปดาาาไป่าเขาก็ทุกไปฆ่าเขา เขาเกลียดถ้าลักก็ไปกับเขาถ้าชังก็แสดงออกไม่ได้ดทันทีไม่ใช่เรื่องนะเนี่ยอันนี้ตัวนี่กําลังเต็มที่เลยเอาละประเี๋วมึงอยู่ตรงนี้ลือ้อกนเอาเลยประเดี๋ยวเอาเลยตรงนี้นะทันทีเลยแล้วก็ทําได้ทันทีด้วยสังขารก็เป็นวิสังขารวิสังขารตั้งแต่เล็กๆน้อยๆจนถึงมรรคผลในผ่านนะ้ำ บุรีมันหมดไปถ้ามันเคยสูบุรีนี่มันวิสังขารหมดไปแล้วนิพพานไปแล้ววิสังขารบุรี่มันนิพพานไปแล้วเล่ามันนิพพานไปแล้วความหลงความรลอความชังที่เคยมีอรอยแข็งล่องรอยแห่งความเลอความชังหมดไปเลยรักษาแผลเรียบไปเลยเกิดในตากรุณา ขึ้นมาแทนที่ร้อยไปไม่มีนะถ้าจะเป็ น, ปนกรรมอันนี้ก็เป็นกรรมต่อไปกิเลสกรรมวิบาก <c oughs> <c oughs> เห็นเห็นทุกข์ที่เป็นอรเยสัต์แต่เป็นกิเลสกรรมวิบากเป็นวัฏจักรวัฏจันี่ตัดเลยไปตัดเลยไปวัฏจัรตัวนี้ตัดได้ วัฏฏะคือเวียนไหววัฏฏเกิดมันหิวเราก็สูบมันสูบมันก็อยากอยากเราก็สูบสูบแล้วก็อไม่อยากพรเพราอยากมันยังสูบพราะสูบมัก็ติดพราติดก็อยากเพระอยากก็สูบวัฏฏะอะไรก็เหมือนกันเหมือนเหมือนกันทิเล่ตัณหาก็เหมือนเหมือนกันอือเคยอะไรก็คิดแล้วก็อยากทําไปตามนั้นทำไปตามวัฏฏะามสังขารามอืมหลักของสมุทัยอเดยสัตย เห็นเลเรียกสัตว์ชัดเจนเลยอ่าบุรีแล้วส้นเราสูบบุรีเพราะเราสูบมันจึงติดเพราะเราติดมันจึงอยากเพราะเราอยากเราจึงสูบเพราะเราสูบมันจึงติดเพราะมันติดมันจึงอยากเห็นว่าตะตัดตรงไหนกรรมมาเลยกรรมมาฐานกรรมคือเลยคือไม่ทำตัดตัวกรรมไม่คิดไม่ทำง่ายนิดเดียว ง่ายนี่เดียวไม่คิดเรื่องนั้นไม่ทําเรื่องนั้นไม่พูดเรื่องนั้นตัดกรรมตัดกรรมได้ปะเนี่ยเพราะไม่สูบจึงไม่ติดเพราะไม่ติดก็ไม่อยากเพราะไม่อยากก็ไม่สูบเพราะไม่สูบก็ไม่ติดเพราะไม่ติดก็ไม่อยากเสร็จเลยเสร็จไปเป็นอันเป็นอันเป็นดันเป็นดันไปโอ้นี่เนาะปฏิบัติธรรมนี่คือปฏิบัติธรรมเปลี่ยนได้แก้ได้เปลี่ยนไล่เป็นดีเปลี่ยนผิดเป็นถูกเปลี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกข์ โอ้มันเปลี่ยนได้อย่างนี้นะปฏิบัติได้อย่างนี้หรือปฏิบัติได้ให้ผลได้โอ้ก็เห็นแรูปทุกน้ำทุกรูปทุรูปก็รูปน้ำรูปน้ำก็รูปสมังคีระหว่างรูประหว่างน้ำสมังคีเมื่อรูปน้ำสมังคีด้วยสติเข้าไปแล้วกลายเป็นกลายเป็นอันอื่น ถ้าจะเป็นพระก็เป็นพระได้น้อยๆเป็นพระประเสริฐน้อยๆช่วยตนเด้งได้น้อยๆกำลังน้อยๆก้าวขึ้นไปสูงน้อยๆไปประเสริฐขึ้นไปแล้วเหนือกเก่าๆดีเก่าสูงกเก่าล่วงพ้นภาวาเก่าการล่วงพ้นภาวะเก่าเก่าที่เคยคินที่เคยทำมาก็มาเห็นว่าโอ้นี่นะวิปัสสนามาคืนนี่เนาะ โอ้วิปัสนาญาณมคืออันนี้วิปัสนาคือล่วงพ้นภาวะดเดิ ม, เ, ดมเป็นเกณฑ์ที่วัดของผู้ศึกษาของผู้ปฏิบัติเป็นเกณฑ์ที่วัดสําหรับผู้ปฏิบัตินะมันก็ผ่านไปรูปสมมุตินาำสมมุติเอ้ามันไปเลยนั่งดูสามวันสามขืนบางทีมันไปพอมันรู้เลยหมดจบหลง ร้อยอย่างนะพูดพูดนาทีสามสิบนาทีเนี่ยมันก็ได้แต่ว่าเวลาเราเห็นมันไม่ไม่ใช่แค่นี้อ่ามันจะไปเป็นสุขมันจะเป็นผู้ลู่เนาะตรงนี้มันจะหลงนะบันะหลงในอารมณ์หลงในความสุขหลงในความลู่นะมันจะกลายเป็นจินตายานได้คิดเรื่องนี้มันติดนะ มันก็ติดโอ้ยมันคิดแต่มันติดมันสุกมันภูมิใจคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงบุญคนคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงอะไรสงสารไปทั้งหมดเลยแต่ก่อนเราลอกพ่อลักแม่ลอกพี่ลักน้องพอมันเกิดเนี่ยคือสงสารไปคิดอยากจะไปช่วยคิดจะไปบอกคิดจะไปสอนคนนอนคนอะไรไปคิดถึงคนแรกคือคิดถึงพ่อถึงแม่คิดมากที่สุด มันก็ชิดไปแล้วหลงหลงไปในความคิดหลงไปในความสุขไม่ความสุขมันกันนะตรงนี้นะให้ความสุขมากๆโอ้ความสุขแบบนี้คือเลยคือรู้หนหี่เลยรู้หนหี่เลยคือบุญบุญยังเป็นสังขารนะความสุขที่มันรู้ถูกรู้ถูกรู้ผิดที่เป็นบุญแต่บุญตัวนี้เป็นสังขารเดียวเป็นหลุดไปสุขเลยโอ้ยพอได้ยินหลวงพ่อเทียนมาว่า อย่าไปหลงรู้เนาะอย่าไปหลงในความสุขนะมันมีอีกศึกษาไปเรื่อยๆโอ้เราอุตสาหปฏิบัติมาอายุ20 30, 30ปีมาเห็นอย่างนี้ก็จเจอมาให้ออกความสุขไงเนาะยังเสียดายไปไ ป, ปฏิบัติต่อไปเอาต่อไปบมเพ็ญทางกิจนะอขนเข็นตัวเองไป มันก็มันก็เห็นเป็น <c oughs> เป็นสิ่งที่โชว์ต่อหน้าคือการบําเพ็ญทางกิจมีสติดูกิจปะเ น, นี่ยมันไม่มีอะไรแล้วมันจบแล้วอารมณ์รูปนามเบื้องต้นนจบแล้วรูปบาปรูปบุลรูปศาสนารูปพุทธศาสนาโอ้ศาสนาคือคนบาปปุลก็คือตัวหลงตัวลูกพุทธศาสนาคือตัวภาวะที่รู้ตัวปัญญาดับทุกข์ได้ พุทธศาสนาเป็นปัญญาที่ดับทุกข์ไม่ใช่ปัญญาเอาเปรียบคนอื่นปัญญาดับทุกข์ปัญญา ม, มีเมตตากรุณานะมาบำเพ็ญทางกิจพูดแล้วพูดดิผมก็ไปทางนี่มีทางเดียวเอามันอยู่นี่แหละเราพูดกันอยู่ตรงนี้แหละผ่านไปทางนี้แหละผ่านไปทางนี่แหละการปฏิบัติธรรมนะนะให้มันได้เห็นเลยแผนที่ ผู้ที่เดินยังไม่ไปก็ต้องเห็นไว้ก่อนผู้ที่ไปก็เห็นไว้ก่อนอย่าลนีทางอย่าเลีกทางบำเพ็ญทางกิจมีสติดูกิจมีกิจดูกิจเสร็จเลยนี่เสร็จเลยใส่กระเป๋าไปแล้วถ้าเป็นก็วัดปฏิบัติแต่เป็นสัมผาระลก็พับใส่กระเป๋าเดินทางได้สบาย ไม่มีอะไรมีแต่มีสติดูกิจมีกิจ ด, ดูกิจ ด, ดีชั่วอยู่กับเราแล้ววะนะบุญนะ บ, บาปอยู่กับเราไม่ได้โง่หลงงมงายทําลายความหลงงมงายหมดสมมติบัญญัติเนี่ยเห็นมีสติดูกิจมีกิจ ด, ดูกิจ <c oughs> ผิดถูกอยู่กับตัวนี้ด่านมันอยู่ตรงนี้ประตูก็อยู่ตรงนี้ความโ ง, ง, ง่หลงงมงายเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่อง คาถ า, าอาคมเรื่องฤทธิปฏิหารไม่ไม่มีจืดเลยจืดหมดเลยนะไม่ได้เชื่อแบบอื่นเชื่อการกระทำเชื่อมีสติดูจิตไม่จิดดูจิตไม่ได้สงสัยแลยเลยใครจะเป็นฤทธิปฏิหารมีอะไรอะไรอะไรก็เป็นเรื่องของเขาอันนั้นเป็นเรื่องหนึ่งทังหากไม่ใช่เรื่องดำเนินสู่กันหลุดพ้นพ้นทุกข์ ส <c oughs> ำหรับทางเข้าสู่การเจริญสติปัฏฐานนั้นผ่านได้เลยผมโง่หลงอม ง, ง, งามื้นเขานี่มลไปอะไรต่างๆบางทีเขานิมยมลไปสวดถอดก็ว่าถูกคนใส่มีพระป่วยก็เลือก ทายกมาว่าโศกว่าสิขากขมานี่มานี่นะขออย่าพูดใด้ไปคําว่าพระถูกคุณใส่ถูกคุณสาตดคุณใส่คนอื่นทําให้เป็นใบเป็นบ้านเนี่ยไม่ต้องพูดนะอายคนพระนี่ไม่มีแล้วแต่าพระยังถูกคนสาดคนใสยอยู่ไม่ใช่หรอกอย่าไปพูดสงสารท่านไม่มีเลย พระเนี่ยนักบวชไม่มีแล้ว <c oughs> ที่จะถูกค <c oughs> น, นสัตวคนใสผีทำอันนูนอันนี้พราะผีดุทําให้เป็นบ่อยเป็นบ้าทําให้ตายเนี่ยหยุดเลยอย่าพูดนะอย่าอย่าพูดพระหลวงพ่อจะทํางานเออทำก็ทําให้เฉยๆทาสบายๆเพื่อเพื่อเป็นสิ่งเวดล่อมที่ดีก็เรียกพระที่เขาได้มนต์มาทำยังไง ก็ทำซะอ้ อ, อเขาอยากให้เรามาสูดถอดก็สูดถอดไปตามไปเพียีเอ่อ <c oughs> สมัยก่อนนะผมขอก็เป็นหมอเศรษาสตร์ก็ก็ก็กอทำเรื่องนี้กันคุณศาสตร์คุณไสท ย, สยทำได้มีคาถาอาคมก็บอกพระที่ไปด้วยกันแต่นี่ผมไม่ว่าคาถานะก่อนเมื่อก็มีคาถานะ คาถาถาอดถอดคนสอดคนใสคนใช้หนังบางพันคนใช้ตะ ป, ปูอะไรที่เขาว่ากัน่โอ้ยไม่ต้องกลัวเสื่อไหมก่อนมีคาถาอันี้มันจืดแล้วคาถาที่เรียนมามันจืดแล้วมีคาถ า, าพระพุทธเจ้ามีรูจักสมมุตริรููจักบัญญัติมีกรรมฐานมีปัญญารู น, นะเว้ยอ่ะมก็ไม่ง่หลงงงผ่านได้เลยไม่ไม่ตายเพราะผีไม่ตายเพราะคนสอดคนใส แต่ว่าจะตายถ้าถ้าเขาจะใส่หนังบังพันเนี่ยไม่ตายไม่ตายถ้าจะตายก็เขามียดมาฟันเอาปืนมายิงเออเนี่ตายจริงจรนี่แต่ว่าเราจะทำไม่ให้เขาเอามีดมาฟันเราจะทําให้เขาไม่เอาปืนมายิงเราจะบอกความจริงเราจะไม่โกรธไปเครืองไข่ถ้ามันจะตายก็ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าไม่เป็นความผิดของเราไปจะตายเพราะคนมาฆ่ามาแย่งไม่ใช่ความผิดของเร า, เ, ราเด็ดขาด <c oughs> เป็นเพราะความผิดของคนอื่นเรื่องผีเรื่องอะไรตัดไปเลยนะก็อสอนสอนโยมสอนโยมที่เขาเนรมนไปพระพระไม่สบายพระเป็นโรคประสาทแล้วเข้าใจว่าพระถูกคนสาส์คนใส่สคนทําให้เป็นบ้าโอ้ยสงสารพระพุทธเจ้าเราสาวกไม่ไม่เป็นเรื่องนั้นนะ่ะไว้เลยพวกเราไม่ต้องกลัวอะไรเรื่องผีเรื่อง ฤทธิ์ปฏิหารไม่ปไปเลยฤทธิ์คือทําให้สําเร็จทําให้ความทุกข์มันหมดไปทําให้ความโกรธมันหมดไปทําให้ความหลงมันหมดไปทําอะไรให้สําเร็จสร้างกติกสตากสําเร็จได้ตามกํำลังแต่ว่าฤทธิ์คือทําให้สําเร็จสําเร็จได้ในวัตถุสิ่งของบางอย่างในกายในใจเรา มีความเปียนไม่ทอดไม่ทิ้งปูกต้นไม้ก็สําเร็จบ้างถ้ามันเหียวก็น้ําไปลดตน้นไม้ที่มันเหียวมันตื่นขึ้นมาหนี่งลิดเัมือนกันลิดแบบนี้ก็ดีเหมือนกันไปใช้ลิดหอ่อเหินเดินฟ้านะโอ้ยไม่เดินหรอกลิดดักใจคนรู้ใจคนเขาคิดยังไงไม่เอาไม่เอามันเยอะเกินไปเขาคิดลักคิดช้างก็ารู้ใจคนคนอื่นโอ้ยจะไปอยู่ยังไง เขาคิดจะทําไงเห็นใจคนเดินเขาคิดยจงไงกับเราไปยุ่งกับความคิดของคนเด่นไม่เอามองเห็นจิตของตนเท่านี้เขาพอแล้วคนเดินจะเป็นยังไงไม่รู้แต่เราจะช่วยให้เขามารู้เรื่องนี้ให้เขามารู้เรื่องนี้เคยหลงไหมเคยคิดเรื่องหลงไปกับความคิดไหมก็เปลี่ยนความคิดในความคิดมาเป็นตัวรู้เขาฝันมากเลยออย่าไปแก้วความฝันอย่าไปลําดับความฝัน ให้ลูกไวปชิมมันนลยมันก็จะไม่ฝันไม่ได้เกี่ยวกับความคิดอย่าไปอย่าไปหลายจิตจิตเดียวจิตเดิมๆอันเดียวอันจิตที่มันเป็นคลื่นผู้ๆแฝงมันเหมือนกับเงาดวงจันทร์เงาดวงอาทิตย์อยู่ในน้ําเมื่อน้ามันคลื่นมันก็เป็นหลายอย่างแต่น้ํามันไม่คลื่นก็เห็นดวงจันทร์เห็นดวงอาทิตย์ได้ดวงเดียวจิตของเราถ้ามันไม่มีคลื่น มันเป็นอันเดียวมันเป็นปกติเป็นจิตเดิมเดิมนี่ยจิตเดิมเดิมอย่างนี้ไปอันความโกรธไม่ใช่จิตอย่าว่าอย่าไปว่ากูโกรธกูห้ามจิตกูไม่ได้อันนั้นไม่ใช่มันเป็นคลื่นต่างหากแล้วก็เหลวไหลมันไม่เที่ยงจิตที่มันโกรธมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวตนจิตที่มันทุกข์มันไม่ใช่มันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวจิตมันเป็นอาการ จะทำทำจิตที่เป็นจิตจริงๆมันเป็นปกติเดิมเดิมอย่างนี้นะนี่ชีวิตของเรามันได้พับใส่กระเป๋าถือไปเลยนะไม่เชื่อกรรมเชื่อจริงๆริงเชื่อกรรมทำอย่างนี้มันเกิดอย่างนี้ไม่ทำอย่างนี้มันก็ไม่เกิดอย่างนี้เชื่อกรรมไม่เชื่อมงคลไม่เชื่อมองคลตื่ก่าวเชื่อกอนันก ร, กระทา มันอยู่กับเรามั่นใจใจะอยู่ที่ไหนไม่ทําไห้เคยเดือดร้อนไม่เบียดเบียนตัเองตนเองไม่เบียดเบียนคนอื่นแล้วไปชวนคนอื่นไม่ให้เขาเบียดเบียนเขาไปชวนคนอื่นให้เขาไม่เบียดเบียนคนอื่นก็ย้ายออกไปเข้จายออกไปเป็นงานของพวกเราพวกเราทิ้งไม่ได้งานเนี่ยเราไม่ต้องทิ้งงานไหนช่วยกันช่วยกันกเราศึกษาเรื่องนี้อะไรกันก็ช่วยกันอยู่แล้วอ่า เราอยู่นี่เอาไปบินธบาตรเอาไปทำน้ำทำไฟดูน้ำดูไฟก็จานงวนดูแลกันทำอะไรต่างๆจานรงสีนจานตุ่มต้องสอนกรรมฐานแล้ววิชาการผู้มีปัญญาแตกฉันใช่สื่อก็จาน์บรเทพใช่สื่อจริงนะเออว่าจะเอาหนังสือมาให้เลย อันนี้เขาก็ใช้พระแล้วนะก็จะหาพระไปสอนโรงเรียนแล้วเอาพระครูพระไปสอนตามโรงเรียนต่างๆอ้าวพวกเราก็มีงานมีการทำน ะ, ะพวกเราก็ตีฉากที่ขิงไปด้วยกันทำบัตรสวดมนต์วชสุขบขวชเสกาก็ไปด้วยกันเดินไปด้วยกันนี่แหละจับแขนจูงแขนกันรอคอยกันอยู่นี่แหละไปทิ้งกัน ตอนเช้าขึ้นมาตีข้องทำวัดอู้ยภูมิใจมีคนตีข้องให้ได้มาทำวัดดีใจมีคนตีแล้วขังไปฉันข้าวมีคนตีแล้วขังไปเป็นธรรมบัตรมีคนมาตีแล้วขังทําวัดเชา้าทําเด็นโอ้ยมาช่วยกันนะเอพวกเราช่วยกันแบบนี้แล้วก็มาทําวัดก็ว่าพร้อมกันผู้ที่นําพาเราก็นําพาไปสวดไปบทนั่นบทนี่โอ้ยสบายเลยพวกเรา เอาสวดแต่ละหลายบทมากๆก็ดีหน่อยออย่าสวดแต่อันเก่าสวดบทอื่นเลืยไปก็ดีดีไปเหมือนกันสวดบทนั่นบท น, น, นี้ให้ได้ยินได้ฟังไปไม่ให้มากไม่เกินสามสิบนาทีเลือกเอาบทนั่นบทนี้ไป